ตอนเสียงเพลงทิปแปลจากเรื่อง The Sound of Music จากนิตยสารเฟสเดือนเมษายนคริสตศักราช1971 นับตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้เป็นต้นมาก็รู้สึกว่าถ้าจะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างใดเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วข้าพเจ้าก็มักจะได้ยินเสียงดนตรีทิพเปว่ลมาเสมอจำได้ว่าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าจะได้ยินเสียงดนตรีทิพเป็นครั้งแรกนั้นเป็นเวลาหลายสิปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าอายุได้หกขวบวันหนึ่งท่านบิดาของข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าแฮร์รี่กัน กับข้าพเจ้ากําลังคัดเลือกหัวมันฝรั่งอยู่ในเรือนเก็บมันฝรั่งในไร่ของเราที่เมมฟิสเทนเนสซีในเรือนที่เก็บมันเนี่ยมีกําแพงที่หนามากเหมือนกับกําแพงของตู้เย็นฉะนั้นและนอกจากนั้นก็ยังกันเสียงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทั้งนี้เพราะเราต้องการให้อุณหภูมิภายในคงที่อยู่เสมอไม่ว่าอากาศข้างนอกจะหนาวเย็นอย่างไรก็ตามและในสมัยนั้น เรายังไม่มีวิทยุใช้กันเลยส่วนโทรศัพท์แม้จะมีบ้างก็มีอยู่น้อยบ้านเต็มทีที่จะมีไว้ใช้ได้เนื่องจากเรากำลังอยู่ในไร่กลางทุ่งดังนั้นบ้านคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปประมาณครึ่งไมล์และทันใดนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงดนตรีแผ่วๆออกมาจากมุมหนึ่งของกาแพงเรือนมันฝรั่งอนาทึบนั้นเราสองคนหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกัน และต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงนี่ลูกได้ยินเสียงดนตรีเหมือนอย่างที่พ่อได้ยินมาท่านบิดาของข้าพเจ้าถามนาขาวเีดข้าพเจ้าจำได้ว่าตอบออกไปว่าได้ยินเหมือนกันพอกล่าวจบลงท่านบิดาของข้าพเจ้าก็กล่าวขึ้นทันทีว่าไปกันเถอะลูกปู่ของเจ้าคงจะตายแล้วล่ะ เราเปิดประตูออกไปข้างนอกก็ปรากฏว่าข้างนอกเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องสักตัวเดียวมันเป็นความเงียบแห่งความตายโดยแท้ต่อจากนั้นคุณพ่อของข้าพเจ้าได้บอกให้คุณแม่เก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางเตรียมไว้โดยกล่าวว่าเมื่อได้รับข่าวมรณกรรมของคุณปู่ท่านก็จะได้ออกเดินทางทันที และคุณแม่ของข้าพเจ้ากำลังเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋ายังไม่ทันจะเสร็จดีก็มีเด็กนำโทรเลขมาส่งในโทรเลขนั้นบอกข่าวว่าคุณปู่ของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมเสร็จแล้วจริงๆต่อมาอีกหลายปี ครั้งนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์คศักรา1926ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังทำงานเป็นพนักงานขาย ข, ายของอยู่กับบริษัทบาตองรูสแคนดี้ข้าพเจ้าได้ไปพูดเรื่องธุรกิจตามปกติกับลูกค้าของเราคนหนึ่งชื่อบร b ส u รูโ u ะแห่งบรูซีร o u i ซียนาข้าพเจ้ากำลังคัดสำเนาใบาสั่งซื้อของเขาอยู่ยังไม่ทันจะจบดี หูก็เริ่มแววได้ยินเสียงดนตรีประหลาดดังมาอีกครั้งแรกเป็นเสียงออแกนเล่นนำมาก่อนราวสองถึงวักต่อจากนั้นก็มีเสียงพินดังแววผสมขึ้นและต่อจากนั้นก็เป็นเสียงแตรทำเป็ดรับขึ้นมาอีกข้าพเจ้าคงจะมีอาการสะดุ้งตกใจขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเป็นแน่เพราะมิสเตอร์บรูซซึ่งนั่งอยู่ด้วยได้ถามข้าพเจ้าขึ้นว่า เอ๊ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอครับข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าเขามีเครื่องเล่นจักเสียงอยู่ในห้องด้านหลังของเขาหรือเปล่าไม่มีแน่ละคุณบรูซตอบผมคิดว่าในตำบลเนี้ยก็คงจะไม่มีใครมีกันเลยด้วยซ้ำข้าพเจ้าได้เล่าถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินให้เขาฟังและแสดงความเห็นว่าน่ากลัวจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวของข้าพเจ้าเสียแล้ว บรูซหัวเราะด้วยความไม่เชื่อแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความรอบคอบเราได้ทำเครื่องหมายวันที่ไว้บนปฏิทินเพื่อเอาไว้ตรวจสอบกันอีกในโอกาสหลังหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆ2 อ, อาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าบังเอิญมีธุระจะต้องไปหาบรูซอีกจึงได้นำหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ออกในลุยเซีย น, นาไปด้วย ในช่องข่าวมรณะของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีข่าวว่ามิสซิสเอ o o มวูดกันซึ่งเป็นพี่สะใภ้ของข้าพเจ้าเองได้ถึงแก่กรรมหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้พบรูสเป็นเวลา4วันต่อมาไม่นานข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเพลงสวรรค์อีกครั้งครั้งนี้เป็นในระหว่างที่ข้าพเจ้ากำลังติดม่านอยู่ที่ด้านหลังของร้านขายของชา บองรคราวเนี้แม่ยายของข้าพเจ้าคือมิสซิสโซฟีบ b อบบิผู้ซึ่งกำลังช่วยข้าพเจ้าอยู่ในขณะนั้นก็พลอยได้ยินด้วยเหมือนกันเพื่อจะพิสูจน์ดูให้รู้แน่กันลงไปว่าเสียงดนตรีที่เราได้ยินนั้นมาจากไหนกันแน่เราพากันเดินออกไปนอกห้องนั้นจนกระทั่งถึงโบดเล็กๆโบดหนึง่งแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในโบสนั้นเลย เพราะประตูหน้าต่างปิดสนิทหมดทุกบานข้าพเจ้าคอยฟังข่าวอยู่อย่างกระวนกระวายใจเป็นเวลาสมวันครั้นแล้วก็ได้ทราบข่าวร้ายที่เรากำลังกังวลใจคุณแม่ของข้าพเจ้าได้ส่งข่าวร้ายมาให้เราทราบว่าบุตรชายของเราคือพ่อหนูเฮนรี่อายุสามขวบกำลังเจ็บหนัก เนื่องจากได้ดื่มน้ำสกรปรกเข้าไปในขณะที่แกไปเยี่ยมไร่ของคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าที่เซนต์ฟรานซิสวิลลข้าพเจ้าออกเดินทางทันทีโดยด่วนแต่เมื่อไปถึงบ้านคุณแม่ของข้าพเจ้าก็ปรากฏว่าคุณหมอยอชซิสแมนแพทย์ประจำบ้านของเรากำลังให้การดูแลรักษาอยู่แล้วเป็นอันดีเป็นอันว่า บุตรชายของข้าพเจ้าปลอดภัยแม้ว่าจะมีอาการหน้าวิตกอย่างยิ่งอยู่ช่วงขณะหนึ่งก็ตามในเดือนธันวาคมปี1930ค้าข้าพเจ้าเกิดความกลัดกลุ้มและกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกและอย่างไม่มีเหตุผลอีกด้วยทำให้พันรยาของข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าอาจจะกำลังเสียสติไปเสียแล้วก็ได้ ครั้นแล้ววันหนึ่งน้องสาวของข้าพเจ้าก็โทรศัพท์มาจากเมมซิสแจ้งข่าวว่าคุณพ่อของเราป่วยหนักและดูเหมือนว่าจะไม่มีหวังรอดสิแล้วด้วยหลังจากได้ทราบข่าวข้าพเจ้ากับภรรยาก็ออกเดินทางโดยรถยนต์จากเอยเซีย น, นาไปยังเทนเนสซี่ทันทีเราทั้งสองนั่งเงียบเป็นไปเป็นเวลานา น, านในระหว่างที่เราเดินทางซึ่งเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ ใครขอให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ด้วยว่าในตอนนั้นในรถของเราไม่มีวิทยุประจํารถเลยดังนั้นข้าพเจ้าและภรรยาจึงต้องสะดุ้งตกใจพร้อมๆกันในเมื่อเสียงออแกนแห่งดนตรีทิพ ป, ปรากฏ ด, ดังขึ้นมาในรถของเราอย่างปัจจุบันทันด่วนข้าพเจ้าเหยียบห้ามล้อรถทันทีด้วยความลืมตัวรถหยุดกึกแล้วเราทั้งสองก็หันมามองหน้ากันภรรยาของข้าพเจ้าหน้าซีดเผือด และเราก็รู้ได้ทันทีว่าบิดาของข้าพเจ้าคราวเนี้ยไม่รอดแน่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ไปถึงทันเวลาพอได้พบกับท่านและได้สั่งเสียกันก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในเดือนกุมภาพันธ์ปี1930 มารกาเร็ตได้เขียนจดหมายมาบอกข้าพเจ้าว่าคุณแม่ของเราเจ็บหนักเป็นโรคหัวใจซึ่งมีอาการหนักขึ้นทุกทีหลังจากที่ได้รับจดหมายแล้วคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องตื่นขึ้นกลางดึกในเมื่อได้ยินเสียงออกแกนพินและตระทาทำเป็ดอันคุ้นหูข้าพเจ้ารีบปลุกภรรยาและเราก็รีบระเตรียมบรรจุเสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางทันทีต่อมาไม่ช้า เราก็ได้รับโทรเลขแจ้งข่าวตายดังที่คิดไว้อย่างไรก็ตามคราวนี้ผู้ที่ถึงแก่กรรมไม่ใช่คุณแม่ของข้าพเจ้าดังที่เราคิดแต่กลับกลายเป็นแมรี่ทาวเนสน้องภรรยาของข้าพเจ้าเองเราออกเดินทางไปเมมฟิสเป็นครั้งที่สองเพื่อไปร่วมในพิธีฝังศพ เราไปถึงบ้านมารดาของข้าพเจ้าเมื่อสามนาฬิกาของวันใหม่เนื่องจากกำลังง่วงและเพลียเต็มที่เราจึงคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องไปบ้านของแมรี่ในตอนนั้นก็ได้แต่ว่าควรจะพักผ่อนเอาแรงเสียที่บ้านมารดา ข, ของข้าพเจ้าก่อนเราหลับไปได้พักหนึ่งข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเป็นเวลาประมาณตีห้าข้าพเจ้าพยายามจะนอนต่ออีก แต่ก็ไม่สามารถรวบรวมสติอารมณ์ได้เพราะรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีอะไรบางอย่างมากระซิบอยู่ข้างหูบอกให้ลุกขึ้นตลอดเวลาและทันใดนั้นเองก็รู้สึกอย่างชัดเจนว่าคล้ายๆกับมีใครมาจี้ที่สี่ข้างและได้ยินเสียงสั่งอยู่ข้างหูอย่างชัดถ้อยชัดคาว่าลุกขึ้น ข้าพเจ้าปลูกภรรยาให้ลุกขึ้นและแจ้งให้เธอทราบว่าข้าพเจ้าฝันร้ายอย่างยิ่งในที่สุดข้าพเจ้าก็ออกความเห็นว่าเราควรจะไปดูเหตุการณ์ที่บ้านของแมรี่กันเสียโดยนั้นเลยเป็นอันว่าเราจะออกเดินทางแต่เช้าตรู่เพื่อไปดูเหตุการณ์ที่บ้านของแมรี่แต่ก่อนจะไปข้าพเจ้าได้แวะเข้าไปเพื่อจะหยิบถุงมือของข้าพเจ้าในห้องของคุณแม่ เมื่อเหลือบดูในตอนแรกข้าพเจ้าก็เห็นว่าคุณแม่กำลังนอนยิ้มทั้งๆ ท, ท, ที่กำลังหลับอยู่แต่ครั้นลองเข้าไปสังเกตดูใกล้ๆอีกทีข้าพเจ้าก็ต้องตกใจเมื่อทราบว่าท่านได้สิ้นใจเสียแล้ว คุณแม่ของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี1931หลังจากคุณพ่อเสียไม่ถึงสองเดือนเป็นอนุว่าทุกคราวที่จะมีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราข้าพเจ้าต้องได้ยินเสียงดนตรีทิพย์บอกเหตุเสมอน่าสงสัยว่าเมื่อเวลาของตอนเองมาถึงเข้าจริงๆข้าพเจ้าจะได้รับการเตือนให้รู้ตัวล่วงหน้าหรือไม่ ลงชื่อเกล็นซีกัน